183. โรชะมันละวัตถุว่าด้วยเจ้ามันละชื่อโรชะถวายผักกาดสดและของฉันทำด้วยแป้งส0 1อดครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณอปนนิคมตามพระอัฏยาใสาแล้วสเสด็จาริกไปทางเมืองกุศินารา พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่จํานวนหนึ่งพันรูปพวกมละกษัตริย์ชาวกรุงกุสินาราได้ทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคสเสด็จมากรุงกุสินาราพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่มีจํานวนหนึ่งพันรูปได้ทํากติกากันว่าผู้ไม่ต้อนรับพระผู้มีพระภาคจะถูกปรับศีลไหม มีจำนวนห้าร้อยกหาปณะนะสมัยนั้นมนละกษัตร์ชื่อโรชะเป็นสหายของท่านพระอานนท์ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคสเสด็จจาริกไปโดยลำดับจนถึงกรุงกุสินาราลำดับนั้นพวกมละกษัตร์ชาวกรุงกุสินาราได้ต้อนรับพระผู้มีพระภาคครั้งนั้น มลลักษ์สัตว์ชื่อโรชะรับเสด็จพระผู้มีพระภาคแล้วได้เข้าไปหาท่านพระอ น, นุนณที่พักทรงอภิวาทแล้วประทับยืนอยู่ณที่สมควรท่านพระอ น, นุ์กล่าวกับมัลลักษัตัตย์ชื่อโรชะผู้ประทับยืนอยู่ณที่สมควรว่าโรชะท่านรับเสด็จพระผู้มีพระภาคได้สมพระเกียรติจริง มันลักกริยัชื่อโรชากรัดว่าข้าพระเจ้าไม่ได้ต้อนรับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ใหญ่โตเลยแต่พวกญาติได้ทำกติกากันว่าผู้ไม่ต้อนรับพระผู้มีพระภาคจะถูกปรับสินใหม่ห้าร้อยกหาปณะนะข้าพระเจ้ารับเสด็จพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ก็เพราะกลัวพวกญาติจะปรับสินใหม่ ครั้งนั้นท่านพระอานนท์ไม่พอใจว่าฉไหนมันลักษัิตร์โรชะจึงปรัดอย่างนี้เล่าได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณนที่สมควรท่านพระอานนท์ผู้นั่งณนที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า มลักษัตริยโโรชะผู้นี้เป็นคนมีชื่อเสียงมีคนรู้จักมากและความเลื่อมใสในพระธรรมวินัยของคนเช่นนี้มีประโยชน์มากพระองค์โปรดทรงกระทําให้มลักษัตริยโโรชะเลื่อมใสในพระธรรมวินัยนี้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าการที่จะ กระทำให้มัลกษัตริย์ชื่อโรชะเลื่อมใสในพระธรรมวินยัยทำได้ไม่ยากต่อมาพระผู้มีพระภาคทรงแผ่พระเมตตาจิตไปยังมลกษัตริย์ชื่อโรชะแล้วเสด็จลุกจากอาสนะเข้าพระวิหารมลกษัตริย์โรชะพอได้รับกระแสรพระเมตตาจิตของพระผู้มีพระภาคถูกต้อง จึงเที่ยวค้นหาตามพระวิหารตามบริเวณทั่วทุกแห่งดุดโคแม่ลูกอ่อนรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าเวลานี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ไหนเจ้าข้าข้าพเจ้าต้องการพบพระองค์ภิกษุทั้งหลายถวายพระพรว่าท่านโรชะ พระวิหารหลังนั้นเขาปิดประตูเสียแล้วโปรดสงบเสียงท่านจงเสด็จเข้าไปทางพระวิหารหลังนั้นแล้วค่อยๆเสด็จดำเนินไปที่หน้ามุกกระแอมแล้วเคาะประตูเถิดพระองค์จะทรงเปิดประตูรับท่านขณะนั้นมนละกษัตริย์โรชะทรงสงบเสียงเสด็จเข้าไปทางพระวิหารซึ่งปิดอยู่ค่อยๆ เสด็จดำเนินไปที่หน้ามุกกระแอมแล้วเคาะประตูพระผู้มีพระภาคทรงเปิดประตูรับมละกษะัตริย์โรชะจึงเสด็จเข้าพระวิหารถวายบังคมแล้วประทับนั่งอยู่หนที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอนุปปพิกถาคือทรงประกาศทานกถาศีละกะถาสัขขะกขกถา กามาทีนวะกะถาเนกขัมมานิสังสะกะถาแก่มัลลกษัตร์โรชะพูดนั่งนัที่สมควรเมื่อทรงทราบว่ามัลลกษัตร์โรชะนั้นมีจิตควรอ่อนปราศจากนิวรณ์เบิกบานผ่องใสจึงทรงประกาศสามุกกังสิกะธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย คือทุก์สมุทยัยนิโรธมักธรรมจักสุอันปราศจากทุลีปราศจากมนถินได้เกิดแก่มละกษัตริโรชะณนะอาสนะนั้นแหลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาด ปราศจากมนทินควรรับน้าย้อมได้เป็นอย่างดีครั้งนั้นมนลกษัตริยโรชะได้เห็นธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วรู้แจ้งธรรมแล้วยังลงสู่ธรรมแล้วข้ามความสงสัยแล้วปราศจากความแคลงใจถึงความเป็นผู้กแลกล่ากล้าไม่ต้องเชื่อใครอีก ในคําสอนของพระศ า, าสดาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าขอประธานวโรกาสภิกษุทั้งหลายโปรดรับจีวรบินทบาทเสนาสนะและคิลานะปัจจัยเพสัชบริขารของข้าพระพุทธเจ้าเพียงคนเดียวอย่ารับของคนอื่นเลย พระผู้มีพระภาคตรัสว่าโรชะแม้อริยะบุคคลอื่นๆผู้ได้เห็นธรรมด้วยยานอันเป็นเสขัดด้วยทัศนะอันเป็นเสขักเหมือนอย่างท่านก็คงกล่าวอย่างนี้ว่าภิกษุจงรับจีวรบินทบาทเสนาสนะและคิลานปัจใจเพสัชบริขารของเราเท่านั้น อย่ารับของคนอื่นเลยดังนั้นภิกษุทั้งหลายจึงรับทั้งของท่านและของคนอื่น302สมัยนั้นชาวบ้านจัดเตรียมพัตตาหารอันประนีตไว้ที่กรุงกุสินาราเมื่อมลักษัตรโรชะไม่มีโอกาสถวายพัตตาหารจึงได้ทรงมีพระดำริ ด, ดังนี้ว่า อย่ากระนั้นเลยเราเพิ่งตรวจดูโรงอาหารจัดเตรียมสิ่งที่ไม่มีในโรงอาหารไว้แล้วตรวจโรงอาหารไม่ทรงเห็นสองอย่างคือผักสดและของฉันทำด้วยแป้งจึงเสด็จเข้าไปหาท่านพระอานนท์ตรัสว่าเมื่อข้าพเจ้าไม่มีโอกาสจะถวายพัตตาหารในที่นี้จึงคิดว่าเราควรตรวจดูโรงอาหาร จัดเตรียมสิ่งที่ไม่มีในโรงอาหารไว้แล้วตรวจดูโรงอาหารไม่เห็นของสองอย่างคือผักสดและของฉันทำด้วยแป้งถ้าข้าพเจ้าเตรียมผักสดและของฉันทำด้วยแป้งถวายพระผู้มีพระภาคจะทรงรับสิ่งนั้นหรือพระกุญเจ้าท่านพระอานนท์กล่าวว่าอาตมาจะกราบทูลถามพระผู้มีพระภาค แล้วได้นําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาครัสตอบว่าอานนท์ถ้าอย่างนั้นเขาจงจัดเตรียมเถิดพระอานนท์ถวายพระพรว่าโรชะถ้าอย่างนั้นท่านจงจัดเตรียมเถิดคืนนั้นมนลกักษัิย์โรชะให้จัดเตรียมผักสดและของฉันทําด้วยแป้ง เป็นจำนวนมากน้อมถวายพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงรับผักสดและของฉันทําด้วยแป้งของข้าพระองค์เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโรชะถ้าอย่างนั้นท่านจงถวายแก่ภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุยําเกรงอยู่ จึงไม่ยอมรับประเคนพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงรับประเคนฉันเถิดครั้งนั้นมลกษัตริย์โรชะทรงนำผักสดและของฉันทำด้วยแป้งเป็นจำนวนมากประเคนพิกษุส์สงมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองกระทั่งพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จ ทรงห้ามพัตนาหารแล้วทรงละพระหัตจากบาดจึงได้นั่งเฝ้าอยู่หน้าที่สมควรพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้มละกษัตรโรชะเห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเราใจให้อาหารแก้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วทรงลุกจากอาสนะเสด็จกลับ ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตผักสดทุกชนิดและของฉันทำด้วยแป้งทุกชนิด